ทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนาตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนก็เมื่อพระพุทธศาสนาสอนปฏิเสธเรื่องตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้เหตุไฉนจึงมีคำสอนนี้พึ่งตนเล่าจะไม่ขัดกันหรือตอบว่าไม่ขัดกันเพราะพระพุทธศาสนาสอนพระรองทั้งสมมุติทั้งปรมัิ สมมุติคือเรื่องที่ชาวโลกนัดหมายเรียกร้องกันอย่างไรก็รับรองตามนั้นปรมัตคือการค้นหาสาระหรือแก่นความจริงไม่ติดอยู่เพียงแค่สมมุติขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าพระพุทธศาสนารับรองสมมุติและประมัตอย่างไรพระพุทธเจ้าส่งสอนให้รู้จักรับนับถือพี่น้อง ครูอาจารย์มารดาบิดาเพศหญิงเพศชายผู้ใหญ่ผู้น้อยและให้วางตัวได้เหมาะสมแก่บุคคล น, นั้นๆที่เรียกว่าปริสันยุตารู้จักประชุมชนอุคลันยุตารู้จักบุคคลเป็นการรับรองสมมุติแต่ในการสอนใจให้พิจารณารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลาย